วันนี้จะเล่าเรื่องจากพระไตรปิฎกเรื่องกาละวัเสถีกับขุมมหาสมบัติจากยักษ์ครับย้อนอดีตไปในสมัยพุทธกาลที่มหานครราชครึมีชายเข็นใจนายหนึ่งชื่อนายกาลวริยะเขาเกิดในครอบครัวยากจนใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากยากเข็นทำงานหนักไม่เว้นแต่ละวัน แต่ก็ยังโชคดีที่มีภรรยาเป็นหญิงซึ่งมีปัญญาแล้วก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเช้าวันหนึ่งภรรยาของเขาเตรียมต้มข้าวยาคูเปรี้ยวกับผักดองให้เขากินตามปราษาคนยากคนจนขณะนั้นเองพระมหากษัะรเถระสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติที่ท่านได้เข้ามาแล้วเป็นเวลาเจดวัน พระเถระท่านก็รำพึงขึ้นว่าวันนี้เราจะทำการสงเคราะห์ใครหนอท่านก็พิจารณาถึงบุคคลผู้ลำบากยากเข็นควรจะสงเคราะห์ก็ได้เห็นภรรยาของนายกากะวริยะเนี่ยเข้ามาในยานทัศน์พระเถระก็ตรองว่าเห็นว่าถ้าหากว่าพวกเขาได้ถวายอาหารบินธบาศแก่ท่านลาบผลก็จะบังเกิดแก่คนทั้งสองเมื่อท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านก็ถือบาทมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมือง ไปยืนอยู่หน้าบ้านของนายกากะปริยะฝ่ายภรรยาของเขาเดินออกมาจากประตูเรือนเก่าคร่ำคร่าพอดีพอเห็นมหากัะสปะมายืนอยู่หน้าเรือนของตนก็รู้สึกปิติยินดีในใจก็นึกว่าโอ้นานแล้วหนอที่เราไม่ได้ทำบุญถวายทานบัดนี้เนื้อนาบุญมายืนอยู่เบื้องหน้าเราแล้วอีกทั้งของที่จะถวายเราก็มีอยู่อยากระนั้นเลยเราจะถวายอาหารนีแด่พระคุณเจ้ากสปะ เมื่อเกิดศรัทธาอันแรงกล้าอย่างนี้แลว้วก็เข้าไปนิมนต์พระเถระให้รับบาดนางตัดความตระหนีอันเป็นกิเลสให้หลุดออกไปจากใจแล้วก็ใส่ข้าวยาคูทั้งหมดที่เตรียมไว้ให้สามีซึ่งขณะนี้สามีก็ออกไปทํางานนอกบ้านเอาไปถวายพระเถระด้วยหัวใจเปรมปรีโดยไม่ได้นึกว่าตัวกับสามีจะบริโภคสิ่งใดเป็นอาหารฝ่ายพระมหากัสปะเถระ รับเอาบาตรและกล่าวคำอนุโมทนาแล้วก็เดินกลับวัดพระมหาเถระก็เอาข้าวยาคูเปรี้ยวถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับเอาบาตรยาคูเปรี้ยวพอฉันแล้วก็มีพุทธดีกาตรัสให้แบ่งอาหารนั้นให้แก่พระภิกษุทุกรูปในวิหารด้วยพุทธานุภาแ่งข้าวยาคูนั้นสามารถแบ่งให้ภิกษุสงฆ์ถึงห้าร้อยรูป เมื่อนายกาก่าวเวริยะกลับมาถึงบ้านภรรยาก็แจ้งเรื่องนี้ให้สามีรู้เมื่อเขาได้ฟังว่าภรรยาได้นำอาหารอันเป็นส่วนตัวถวายเป็นพระตาหารแด่พระกัสปะอระหันไปแล้วเขาก็ดีใจสุดประมาณก็อนุโมทนาในบุญที่ภรรยาได้ทําแล้วก็ติดตามมาจนกระทั่งถึงวัดซึ่งในขณะที่ พ, พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ฉันพัตาหานและข้าวยาคูเปรี้ยวของสองสามีภรรยาอยู่เนี่ยฉันเสร็จพอดีเขาก็มีโอกาสได้รับประทานอาหารส่วนที่เหลือจากพระฉันแล้วครั้นแล้วพระมหากระสปะก็ทูลถามพระบรมศาสดาถึงผลบุญที่นายกากะวริยะและภรรยาจะได้รับพระพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์ว่าดูก่อนกระสปะนับแต่วันนี้ไปได้เจ็ดวันนายกากะวิยะบุรุษผู้นี้จกได้ชัด สำหรับเศรษฐีเขาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีจากพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้สดับฟังพระาศาสดาดีกาอย่างนั้นกากะวริยะก็พลันน้ำตาไหลด้วยความดีใจถวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถวายน้ำสการลาพระมหากรสปะผู้มีคุณกลับไปบ้านแล้วก็บอกความตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสพยากรณ์นั่นแก่ภรรยาของตน ครั้นนางได้ฟังความที่สามีบอกก็มีจิตใจชื่นชมในทานบิณฑบาต ท, ที่ได้ถวายแก่พระมหากษัตริยเป็นอย่างยิ่งในเวลาเดียวกันนั้นพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งนครราชครือได้เสด็จเรียบพระนครเพื่อจะดูขอบเขตแห่งภูเขาและประเทศอันล้อมรอบไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ทัดจากภูเขานั้นไปเป็นป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งประชาชนขนานนามเรียกว่ามหาเปตาโลก เป็นที่อาศัยอยู่โพรมันดาผีดุร้ายยามราตรีไม่มีผู้ใดกล้ำไกลเข้าไปเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาถึงป่ามหาเปตโลกก็ทอดพระเนตรเห็นนักโทษประหารผู้หนึ่งถูกลงโทษโดยการเสียบทั้งเป็นได้รับทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะตายพระองค์ก็ทรงเข้าไปไต่ถามความเป็นไปเวลานั้นในโจรก็เหลือบเห็นพระเจ้าพิมพิสารก่อนก็ตะโกนขึ้นบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดิน มีอะไรกินม้างหรือเปล่าถ้ามีก็รีบเอามาไวๆวถ้ามไม่มีก็อย่าได้เข้ามาใกล้ข้าเป็นโจรใจร้ายได้รับโทษตามกฎหมายของท่านในครั้งเนี้ยแสนสาหัสสากันนักพระเจ้าพิมพิสารได้ยินอย่างนั้นก็มีพระไทยสงสารแล้วก็มีพระาราตําร์แก่โจรบอกว่าโอ้ดูก่อนเจ้าโจรร้ายเอ้ยการที่เจ้ารับกรรมในคราวนี้ก็เป็นผลจากการกระทําของเจ้าแต่เราก็โจรใจจริงๆเพราะไม่มีอาหารสิ่งใดติดมือมาเลย เอาเถอะเมื่อเรากลับถึงเมืองแล้วเดี๋ยวจะให้คนเอาอาหารมาให้เจ้าคั้นพระองค์เสด็จกลับเข้าเมืองเมื่อถึงเวลาเสเวยพระกยาหารพระองค์ก็ทรงระลึกได้ว่าทรงรับคำกับนักโทษประหารไม่ว่าจะนาอาหารไปเอาไปให้กลัวว่าจะเสียสัตว์จึงมีพระราชาออค์การให้จัดหาคนที่สามารถที่จะนำเอาอาหารไปให้นักโทษโจรรายในป่ามหาเปตลโลกได้ภายในราตรีนั้น จะพระราชทานทรัพย์ให้จำนวนหนึ่งพันตำลึงนะแต่เพียงได้ยินว่าจะให้เข้าป่ามาหาเปตโลกละคนทั้งหลายก็เกิดความหวาดกลัวยากนักที่จะหาผู้ใดาอาสาพระองค์ก็ทรงสั่งให้อมัดทั้งหลายไปป่าประกาศในเมืองเพื่อจะหาคนใจกล้าไปยังมาหาเปตโลกในยามราตรีนั้นให้จงได้ด้วยทิฏฐ ธ, ธรรมเวทนียกรรมฝ่ายกุศลเข้าโดนจิตภรยาแห่งนายกากะวิยะคนเข็นใจให้เกิด กำลังใจกล้าคิดรับอาสาภารกิจนั้นเพื่อจะรับทรัพย์หนึ่งพันตำลึงไว้ในการนั้นเองยังมียักษ์ตวหนึ่งชื่อทีขพละยักษ์สิงอยู่ที่ต้นตาลภายนอกมหานครมาเป็นเวลานานเมื่อยักษ์ตนนั้นเห็นภรรยาของนายกากาวริยะซึ่งแต่งกายเป็นบุรุษแบกถาดทองใส่อาหารเดินผ่านไปในยามวิการก็ร้องเรียกออกไปด้วยเสียงมนุษย์จะเป็นใครอะ่ะ ทำายถึงกล้าเข้ามาในอาณาเขตของเรานี่ฮะเจ้าจะเคราะห์ร้ายนะรู้หรือเปล่าจะต้องตกเป็นอาหารของเราแล้วพนางได้ยินก็เอ่ยขึ้นด้วยความตกใจว่เอา้าท่านเป็นใครอะ่ะเราเป็นยักษ์เป็นบริวารแห่งเทวเวสว ร, ร์เจ้าเป็นใครเราเป็นราชาทูตแห่งพระเจ้าปิมพิสารพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เราไปที่ป่ามหาเปตลโลกด้วยพระราชกิจรีบร้อนอ๋อยังไงก็ไม่เป็นไรนะ ตะ ก, กี้ว่าท่านจะไปยังป่ามาหาเปตโลกเออเรามีกิจที่เราอย่างหนึง่งอยากจะขอให้ท่านปู่เป็นราชทูตให้ช่วยกิจเราอย่างหนึ่งด้วยเถอะเมื่อท่านไปใกล้ป่ามาหาเปตโลกท่านจงตะโกนร้องประกาศด้วยเสียงอันดังว่าบัดนี้นางกาลีผู้เป็นทิดาแห่งท่านสุมาณะเทวราชซึ่งเป็นภรรยาแห่งธีขาพละยักษ์คือเราได้บุดเป็นเพศชายแล้วท่านจงประกาศตามที่เราสั่งนี้แหละ ถ้าคำเป่าประกาศของท่านรู้ไปถึงสุมาณะเทวราชด้วยประการใดก็ตามเราจะให้ขุมทรัพย์เจ็ดขุมที่เราคว้าอยู่ในบริเวณนี้แก่เจ้าภรรยาของนายกากะอริยะก็รับคำที่ข้าพเจ้าอยากจากนั้นก็เดินพร้อมกับร้องป่าประกาศไปด้วยจนกระทั่งถึงป่ามหาเปตโลกซึ่งขณะนั้นสุมาณะเทวราชผู้เป็นใหญ่ควายักษ์ทั้งหลายในป่านั้น ได้ให้โอวาทแก่บริวารยักษ์ทั้งหลายอยู่พอดีพอจบกิจแล้วก็มียักษ์ผู้มีศักดิ์น้อยคนหนึ่งเข้าไปกราบเรียนว่าเออบัดนี้มนุษย์ผู้หนึ่งเดินทางมุ่งหน้ามายังป่ามหาเปตุโลกแล้วก็ป่าวร้องว่าพระธิดาแห่งท่านได้ให้กำเนิดบุตรชายแล้วเมื่อสุมาณะเทวราชทราบความดังนั้นก็ให้บริวารยักษ์ไปนําภรยาเข้าในกากะวริยะเข้ามาถามไถ่แล้วก็มีบัญชาให้บริวารยักษ์ไปสอบถามความจริง อยากทีขะพละยักษ์บุรเขยเพื่อความแน่ใจเมื่อทราบว่าเป็นจริงดังกล่าวก็มีใจผ่องแผ้วเป็นกำลังก็กล่าวกับนางบอกว่าเอ้ยดูก่อนนางมนุษย์ซึ่งเป็นราชทูตแห่งพระเจ้าพิมพิสารอุตสานำเอาอาหารมาให้ผู้ใกล้ตายในป่ามหาเปตโลนับว่าเจ้าเป็นบุคคลที่มีใจกระหายมีหนาซ้ำยังนาข่าวหลานชายซึ่งเป็นข่าวดีมาสู่เราเพราะฉะนั้นเราจรึงใคร่จะตอบแทนท่าน สมบัติอื่นใดที่จะเหมาะสมแก่มนุษย์อย่างท่านนั้นไม่มีนอกส จ, จากขุมทรัพย์อันเป็นของคนโบราณซึ่งฝังอยู่ใต้ต้นไทรนี้เราเป็นผู้ดูแลรักษาอยู่มันไม่มีประโยชน์อะไรต่อเราเราจึงอยากจะยกให้เจ้าผู้เป็นมนุษย์พรุ่งนี้จงมาขุดเอาไปเถอะเราอนุญาตให้จนหมดสิน้นเมื่อภรรยาของกากะวริยะาลาเท้าสุมณะเทวราชแล้ว ก็นำเอาถาดอาหารเดินเข้าสู่ป่ามาหาเปตโลกนำเอาอาหารไปป้อนนักโทษผู้ถูกเสียบด้วยความสงสารเมื่อนักโทษได้รับประทานตามปรารถนาแล้วนางก็นำถาดทองเปล่ากลับสู่พระราชวังกลับบังคมทูลถึงภารกิจทั้งปวงรุ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นใหญ่ก็ตระเตรียมควียนหลายเล่มแล้วก็ออกเดินทางสู่บริเวณขุมทรัพย์โดยมีภรรยาของนายกากะวริยะเป็นผู้นำทาง เมื่อเจ้าพนักงานขุดตามที่นางบอกชี้ก็พบสมบัติมหาสารเมื่อขุดสมบัติเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ประชุมอมาร์ตและราชปุโรหิตาจารย์ทั้งหลายทรงปรึกษาว่าควรจะทำประการใดราชปุโรหิตาจารย์ทั้งหลายก็ลงมติกราบทูลว่านางควรจะได้รับฉัตรเศรษฐีแต่ด้วยนางเป็นสตรีจึงควรพระราชทานฉัตรเศรษฐีให้แก่สามีของนางตามเยี่ยงอย่างประเพณี เพื่อที่นางจะได้เป็นใหญ่ในเรือนสเสวยความสุขโดยความเป็นเศรษฐีสืบไปพระเจ้าพิมพิสารทรงเห็นด้วยก็มีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งให้ในายกากระวริยะเป็นเศรษฐีประจำแผ่นดินมีราชาินนามว่าธนะเศรษฐีแล้วก็ทรงพระราชทานฉัตรเศรษฐีให้แก่เขาเป็นเกียรติยศจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ย่อมจะเห็นได้ว่านายกากระวริยาและภรรยานั้น เป็นผู้ให้ที่มีจิตประสงค์จะให้ทานอย่างบริสุทธิ์ยินดีที่จะให้ทานโดยที่ไม่ได้คิดคำนึงว่าตัวจะได้อะไรกลับคืนทั้งอย่างสละความโลภความตรณีที่เหนียวทั้งหมดเพื่อทําบุญกับพระอริยสงฆ์ทําให้ทั้งสองมีความสุขกับการให้เมื่อให้แล้วบังเกิดสุขก็ถือว่าเป็นบุญทางใจอย่างหนึ่งและเมื่อทําบุญกับพระอรหันต์พลังบุญนั้นก็ใหญ่ขึ้นไปอีกถือเป็นการทําบุญที่ทําถูกต้องเนื้อนาบุญโดยแท้ ทำให้ผลบุญเผื่อแผ่ภายสารทั้งปัญญาและศรัท ธ, ธาในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่แล้วในตัวภรยาเขาในกากะวริยะก็มากล้นนางประพฤติตนปฏิบัติตนอย่างมีสติและดำเนินชีวิตด้วยธรรมจึงสามารถหาโอกาสให้ตัวรอดพ้นจากความจนด้วยการอาสานำกระยาหารของพระเจ้าพิมพิสารไปให้นักโทษที่ถูกเสียบหลาอยู่ในป่ามหาเปตโกซึ่งเป็นป่าที่มีพูดผีปีศาจอาศัยอยู่ ด้วยความกล้าหาญเพื่อแลกกับเงินเพียงหนึ่งพัน 1, ตำลึงซึ่งเป็นเงินที่จะทําทให้ครอบครัวรอดพ้นจากความจนได้อย่างสุจริตและทั้งที่รู้ว่าป่ามหาเปตโลกมีอันตรายรออยู่มากมายก็ตามนางก็ม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดด้วยความกล้าหาญที่กล้าเผชิญพยานอันตรายเหล่านี้ก็ทําให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเป็นทางสร้างความมั่งคั่งอย่างไม่ได้ตั้งใจอีกทั้งความมานะมีอยู่เป็นทุน ทำให้ความมุ่งมั่นของภรรยาในกากะวริยะเป็นผลดีต่อชีวิตนอกจากเหตุผลเหล่านี้แล้วภรรยาของนายกากะวริยะยังเป็นผู้ซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนดังจะเห็นได้ว่าเมื่อทีฆะภรรยักษวานต่อนางให้นำความไปกราบทูลต่อพ่อตาว่าเมียของตนได้ตั้งขันแล้วนางก็ได้นาสารนั้นไปทูลอย่างตรงไปตรงมาไม่ตกลน นางจึงได้รับลาบที่มาจากความซื่อสัตย์นี้เพิ่มพูนอีกทั้งจากทีระพลยักษ์แล้วก็จากสุมาณะเทวราชพ่อตาของทีระพลายักษ์อีกด้วยนางได้ทําตามที่รับคํากับทีระพลายักษ์จนสําเร็จซึ่งเป็นภารากิจที่เสริมเข้ามาในระหว่างภารากิจหลักที่รับคําสั่งมาจากพระเจ้าพิมพิสารและภารกิจหลักที่นางอาสาพระเจ้าพิมพิสารส่งกระยาหารของพระราชาแก่นักโทษนั้นก็บรรลุผลเช่นเดียวกัน